เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความปราศจากความทุกข์ต่างๆของจิตใจณสถานที่แห่งนี้ที่จะมีการแสดงธรรมสามสิบนาทีในช่วงแรกและตามด้วย การปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิสร้างความสุขให้กับใจอีกสามสิบนาทีด้วยกันมทมที่จะแสดงในวันนี้มีหัวข้อว่าภารกิจของพระพุทธศาสนา<ม>พวกเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนา แต่เรารู้ภารกิจของพระพุทธศาสนาหรือไม่ว่ามีอะไรอย่างไรบ้างถ้าไม่รู้วันนี้ก็จะได้รู้ภารกิจของพระศาสนานี้มีอยู่สามภารกิจด้วยกันคือภารกิจที่หนึ่งคือการปิดประตูอบายให้กับสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ภารกิจข้อที่2คือการเปิดประตูสวรรค์ให้กับสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ไปเกิดในสวรรค์กันและภารกิจที่3ก็คือเปิดประตูนิพพานให้แก่สัตว์โลกที่เบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะได้ไปสู่พระนิพพานกันได้นี่คือภารกิจหลักภารกิจของพระพุทธศาสนามีสามภารกิจนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้มาตัดสั้นแล้วได้มาประกาศพระศาสนาก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็ล้วน มีหน้าที่หรือมีความปรารถนาที่จะทำภารกิจทั้งสามประการนี้ให้แก่สัตว์โลกด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาอย่างยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้วพระอนุตตรสัมมาโพธิญาณได้เข้าถึงพระนิพพาน ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทรงมีพระเมตตากรุณาที่จะสั่งสอนสัตว์โลกที่ยังหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ในอบายบ้างอยู่ในสวรรค์บ้างแต่ก็ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ได้ด้วยตนเองเพราะ การที่จะไปถึงพระนิพพานได้จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ไปถึงแล้วมาบอกวิธีหรือบอกทางผู้ที่ไปถึงพระนิพพานแล้วก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประกาศพระศาสนาไม่ท่งนำนำนำคำสอนอันประเสริฐที่จะนำพาสารโลกให้ได้ไปสู่พระนิพพาน ก็จะไม่มีผู้ใดในโลกนี้สามารถไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองเลยนี่คือความเมตตากรุณาอย่างยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงอุทิศเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตของพระองค์ให้แก่การเผยแผ่สั่งสอนธรรมให้แก่สว์โลก ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ทรงตัดสัุขณะที่มีพระชนมายุ36 35 3 5พ0 0ษาก็ทรงประกาศพระศ า, าสนาแสดงธรรมโปรดสา์โลกทุกวันวันละสี่รอบด้วยกันตลอดระยะเวลา45ปีจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตของพระองค์ วันที่ทรงสละละขันเข้าสู่พระนิพพานอย่างถาวรพระองค์ทรงทำหน้าที่ของพระศ า, ศาสดาอย่างเต็มที่ด้วยการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐเพื่อให้บรรลุภารกิจทั้งสามประการสั่งสอนให้สาธารณรู้จักวิธีปิดประตูาบาย สั่งสอนให้สัตว์โลกรู้จักวิธีเปิดประตูสวรรค์สั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักวิธีเปิดประตูนิพพานด้วยการแสดงธรรมทุกวัน mm hmm. พระพุทธเจ้ามีภารกิจอยู่ห้าภารกิจในแต่ละวันเรียกว่าพุทธกิจห mm ้า hmm. พุทธกิจแรกนี้พระองค์ทรงสเสด็จออกบินทบาทตอนเช้า ต้ อ, องส่งเลี้ยงชีพของพระ อ, อ์ด้วยตนเองเลี้ยงชีพด้วยการบินธบาะ <Yeah. S 2> แล้วพอตอนบ่าย <Yeah. S 2> ก็จะแสดงธรรมสั่งสอนคารวะญาติโยมผู้คองเรือนพอตอนค่ำ <Yeah. S 2> ก็จะสั่งสอนภิกษุภิกษุณี <Yeah. S 2> พวกนักบวชทั้งหลาย <Yeah. S 2> พอยามดึก <Yeah. S 2> ก็จะสั่งสอน พวกเทวดาแล้วยามเช้าก่อนที่จะเสด็จเอาอบินทบาลจะส่งเร็ยงญาณดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นบุคคนใดมีจิตใจที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่อาจจะถึงวาระที่จะต้องเสียชีวิตในเวลาอัานใกล้ก็จะส่งมุ่งไปโปรดแสดงธรรมให้กับบุคคลนั้น ในวันนั้นเพื่อบุคคลเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>อย่างนั้นก็ปิดประตูบาย<ม>หรือมากกว่านั้นก็เปิดประตูสวรรค์และมากที่สุดก็คือการเปิดประตูสู่พระนิพพาน<ม>นี่แหละคือภารกิจของพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธนี้ พอกดขึ้นมานี้ไม่ได้มาหวังผลประโยชน์จากจากสัตว์โลกเลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งสอนธรรมะให้กับใครแต่ที่ทรงสั่งสอนนี้ทรงสั่งสอนด้วยความเมตตากรุณาที่ทรงเห็นว่าสัตว์โลกยังต้องติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า เอาธรรมอันเลอเดันประเสริฐมาเผยแผ่ให้แก่สามโลกการเผยแผ่ทำให้แก่สามโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากใครเลยพระใจของพระองค์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขอยู่แล้ว<ม>เต็มเปลี่ยนไปด้วยทรั์ภายใน<ม><ม>นิบานังปรมังสุขขังมมไม่ต้องการไม่ต้องมีอะไรต่อไปเป็นความสุขที่<ม> ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้มารวมกันมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้า<ม>การประกาศพระศาสนาการก่อตั้งพระวุทธาศาสนานี้มไม่ได้มาหวังผลประโยชน์จากใครเลยแม้แต่นิดเดียวหวังแต่ที่จะทำภารกิจทั้งสามประการนี้ให้แก่สัตว์โลกเพียงเท่านั้น<ม>สอนสัตว์โลกให้เปิดประตูบาย สอนสัตว์โลกให้รู้จักปล่อยประตูสวรรค์และประตูนิพพานตามลำดับต่อไปการเผยแผ่สั่งสอนนี้องค์ไม่ได้เรียกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเป็นการให้ธรรมทานที่ทรงทรงตรัสว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงไม่มีการให้อย่างใดที่จะยิ่งใหญ่ที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์เท่ากับการให้ธรรมะ แสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้ได้ดูดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในอดีตแต่ในปัจจุบันในสายตาของคนชาวโลกก็อาจจะไปมองเห็นว่ า, าศาสนาพุทธนี้มีมาเพื่อมาดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองจาก สัตว์โลกทั้งหลายศา ส, สนาพุทธนี้ไม่ต้องการอะไรจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ไม่ได้ศา ส, สนาพุทธก็ไม่มีความสนใจอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เพราะผู้ที่ก่อตั้งผู้ที่นำเอาธรรมันประเสริฐมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกนี้ไม่ต้องการอะไรแม้แต่บาทเดียวจากสัตว์โลกเลย แต่เนื่องจากผู้ที่มาสืบทอดพระศาสนาเป็นจิตใจที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์กันจิตใจก็เลยมีกิเลสตันหาครอบงําอยู่ก็เลยทำให้ศาสนากลายเป็นเหมือนศาสนาที่จะมาขูดวี่เอาเงินเอาทองจากชาวบ้านกันแต่ความเป็นจริงแล้วศาสนานี้ไม่ต้องการ เงินแม้แต่หนึ่งบาทจากจากใครเลยทั้งสิ้นเพราะว่าผู้ที่มาเผยแผ่ศาสนาคือพระพุทธเจ้าและกับพาาระอนันตสาวกนี้ท่านไม่มีความหิวโหยท่านไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้อะไรจากใครแม้แต่แม้แต่บาทเดียวใจของท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยบร ม, มสุขท่านถึงเมืองพอแล้วถึงเมืองอิ่มแล้ว ไม่ต้องการอะไรเพิ่มอีกแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วเทน้ำเข้าไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้น้ำในแก้วนั้นมีเพิ่มมากขึ้นไปได้น้ำที่เต็มแก้วแล้วถ้าเราเทน้ำเข้าไปในแก้วนั้นน้ำมันก็จะล้นไหลออกไปมีปริมาณอยู่เท่าเดิมคือเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลานตัสาว ก, ก็เป็นอย่างนั้น เป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยบอาร ม, มาสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่แต่แค่เจ็ดถึงสิบเอ็ดอย่างร้านเเเขามีเจ็ดถึงส1เ็ดเปิดร้านสมัยก่อนเซเนนี่เขาเปิดตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วปิดในเวลาสิบเ็ดนสิบเ็ดโมงตอนตอนค่คืนแต่สมัยนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการเปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะ เพราะความต้องการของคนบริโภคต้องการบริโภคตลอด24ชั่วโมงนั่นเองใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาสาวกนี้ก็เป็นใจที่อิ่มตลอดเวลาไม่ต้องไปหาลานเซเว่นมามาซื้อของมาเติมให้กับจิตใจได้อย่างใดท่านมีความสุขของท่านตลอดเวลาท่านจะแสดงธรรมหรือไม่แสดงธรรมท่านจะประกาศพระพุทธศาสนาหรือไม่ ท่านก็ยังมีบารมีสุขเท่าเดิมอยู่ท่านไม่ได้อะไรจากการเสียสละอุทิศเวลาและแรงแรงกายแรงแรงใจในการนำเอาธรรมะอันประเสริฐมาเผยแผ่ให้แก่ศาสตร์โลกท่านทำด้วยความเมตตากรุณานี่คือภาพเดิมในสมัยยุคที่พระพุทธเจ้าและพระอารันสสามกท่านประกาศธรรมท่านไม่เคยได้อะไร ให้สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ท <Yeah. S 2> ่านอยู่กันตามมีตามเกิด <Yeah. S 2> อยู่กันตามโคนไม้ <Yeah. S 2> ที่ไหนมีที่สงบที่สงัดวิเวกท่านก็ไปอยู่แถวนั้นกันอาจจะทำเพลิงที่พักที่อยู่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้มีอะไรวิจิตพิสดารเหมือนสมัยนี้ <Yeah. S 2> อยู่ตามผ้าบ้างตามเนื้ อ, อ หน้าผาบ้างอยู่ที่สงบสงัดแล้วก็จะเล็กไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อโปรดผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้พระธรรมอันประเสริฐไม่ได้ไปเรียลายเงินทองตามสถานที่ต่างๆแม้แต่บาทเดียวไปเพื่อให้ธรรมทานไปเพื่อให้ไม่ได้ไปเพื่อขอไม่ต้องการอะไรจากใคร พระพุทธเจ้านี้ไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวไม่เคยสร้างเจดียด์แม้แต่องค์เดียวไม่เคยพระสร้างพระพุทธรูปแม้แต่รูปเดียวไม่มีของเหล่านี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นของพระพุทธศาสนาโดยตรงเป็นเครื่องประดับที่คนเอามาสร้างเพื่อมาบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเท่านั้นเองแต่ถาวรลวัตถุต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของของการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> วัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> วัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามข้อนี้คือเปิดประตูปิดประตูบายให้แก่สัตว์โลกสองเปิดประตูสวรรค์ให้กับผู้ที่อยากจะไปสวรรค์กัน เปิดประตูนิพพานให้กับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาและเป็นภารกิจที่พระเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินกันสวนฐานลรวัตถุต่างๆเช่นวัดวาอารามโบสถเจดีพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากศรัทธา ของผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่สารโลกอย่างมหาศาลก็เลยอยากจะบูชาพระคุณด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพระพุทธเจ้าก็ดีพระนันตสาวกก็ดีเพราะฉะนั้นจะได้อยู่และเผยแผ่ธรรมให้แก่สัารโลกไปได้นานๆนั่นเองน แต่ทาวลและวัตถุต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ออกจากการขอของพระพุทธเจ้าหรือของพระอหลานตสาวกเลยไม่ได้ออกจากการเรียอายไม่ได้ออกจากการอด âm ฤตเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วพระองค์ก็ไม่ทำภารกิจอะไรมีแต่สั่งสอนธรรม ะ, ะไม่ได้มาทําภารกิจเรื่องของการสงเคราะห์โลกในอย่างใดเรื่องการ สงข้ความยากจนบ้างสงข้อคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรืออะไรทํานองนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในภารกิจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกเพราะของเหล่า น, นี้ท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนต่อให้บรรเทาภาระอย่างไรมันก็เป็นการบรรเทาบรรเทาความทุกข์ยากชั่วครัง้งชั่วคราวไปเท่านั้น ถ้า ต, ตบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตันั้นก็ยังจะต้องมีการเจอกับความทุกข์ยากลำบากในแต่ละภพแต่ละชาติอยู่ดีช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากในภพนี้ชาตินี้เดี๋ยวตายไปก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็จะไปเจอกับความทุกข์ยากลาบากอีกตามอานาจของกฎแห่งกรรมตามอำนาจตามอานาจของกฎตายลักอันนี้จังทุกขังอนาตา ถ้าถายไดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่การบรรเทาทุกข์ายากลําบากทางร่างกายนี้ทําไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมดหมดจากภพนี้ก็ไปเกิดพบหน้าก็ไปเจอใหม่อีกแต่ถ้าบําเพ็ญทางธรรมได้บรรลุ ก, กิจอันสูงสุดได้คือบรรลุถึงพระ น, นิพพานได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป กลรมาทุกข์ยากลำบากอีกต่อไปหรือถ้าอย่างน้อยทำปิดประตูอบายได้ก็ก็ยังช่วยให้ไม่ต้องไปเกิดในสถานภาพที่ที่ย่ำแย่ที่มีแต่ความทุกข์อบายนี่ก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทาบาปนั่นเอง ใ, ใครตายไปแล้วทำบาปแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอนสุสล ร, รกายบ้าง ไปไปนรกบ้างสู้สอนวิธีปิดประตูบายดีกว่าอย่าไปทำบาปเท่านั้นเองอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในการมอย่าพูดปดอย่าดื่มยืมสุลายาเมาของมุนเมาต่างๆแล้วก็อย่าไปเสพอบายมุกอบายมุกนี้เป็นแปลว่ามุกแปลว่าทวารหรือทางเข้าออกอบายก็คืออบายสี่นี่เอง ถ้าเสบบบา ย, ยามุกก็เหมือนกับไปยืนอยู่ที่หน้าประตูของของอบายคนที่อยู่ใกล้ประตูโอกาสที่จะเข้าเข้าไปในอบายมันก็มันก็ง่ายกว่า <ๆ habit. S 1> คนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ประตูนั่นเองเพรนั้นถ้าไม่อยากจะไปอบายอย่าไปยืนอยู่ใกล้หน้าประตูของอบายเพราะ <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะมันอยู่ใกล้เพ<ป>ราะล่าเดี๋ยวมันอดไม่ได้มันอดที่จะเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะ ไปอบายก็อย่าไปเสพอบายามุกอบายามุกก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันดื่มสุรายาเมาของมึนเมาต่างๆเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนความเกียดข้านและการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิดนี่คืออบายามุกห้าประการที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเราต้องการจะปิดประตูบาย พอถ้าเราไม่เล่นการถ้าเราไม่เด่นสลายยาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่มีความเกลียดข้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรโอกาสที่เราจะไปทําบาปมันก็จะยากแต่ถ้าเราเสพอบายามุขอยู่เรื่อยๆโอกาสที่เราจะไปทำบาปก็จะก็จะมีได้ง่ายขึ้นเพราะอบายามุขนี้จะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย ถ้าเราเสบาบายาบุกอยู่เรื่อยๆไม่ไปทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาศัยเงินเกา่าเงินเก่าที่มีอยู่ใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วถ้าไม่มีงานทําก็จะต้องไปหาหาเงินหาทองด้วยวิธีไม่ชอบด้วยการกระทําบาปด้วยการไปลักทรัพย์ด้วยการไปโกหกหลอกลวงชอ่อกงหรือถ้าบางครั้งก็ถึงกับการไปป้นไปจี้ แล้วก็ถ้ามีการต่อสู้กันก็จะมีการฆ่ากันได้ถ้าไม่อยากจะไปอบายชีวิตของเราไม่ได้จบที่ความตายของร่างกายความตายของร่างกายเป็นเพียงการสิ้นสุดของชีวิตบทหนึ่งเท่านั้นเองของชีชวิตอัน ญ, ญาวนายของพวกเราคือร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อ ใจนี่แหละที่จะต้องไปรับผลบาปที่ได้ทำไว้ถ้าทำบาป<ม>ห้าข้อนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>ทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบาปที่มีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงให้ใจไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความโลภ ไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวใไปนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมนี่คือเหตุที่จะพาให้ไปอบายและวิธีที่จะปิดประตูอบายก็คือปิดระงับการกระทำบาปพยายามรักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มีบาปน้อยที่สุดถ้ายังมีบาปน้อย ก็อย่าให้มันมีมากกว่าบุญบุญนี้เป็นการกระทำที่เราจะพาให้เราไปสวรรค์กันเบื้องต้นสงสอนให้เราปิดประตูบายก่อนด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงรักก า, ารกระทำบาปทั้งปวงแล้วถ้าจะให้มั่นใจว่าไม่ไปเกิดในบายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ ก็ให้มันทำความดีอยู่เรื่อยๆทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้คือข้อที่สองการเปิดประตูสวรรค์เกิดจากการกระทำบุญต่างๆนั่นเองคำสอนของพระเจ้าข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูบาย <S 1> <S 1> <S ข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อจะได้เปิดประตูสวรรค์ เราจะไปสวรรค์ได้เราต้องมีบุญพาไปบาปพาเราไปสวรรค์ไม่ได้บาปจะพาเราไปแต่อบายเราต้องสร้างบุญถ้าเรายังทำบาปอยู่บ้างก็พยายามทำบุญให้มากกว่าการทำบาปเพราะว่าเวลาตายบุญกับบาปนี้มันจะเป็นผู้มาแย่งดวงวิญญาณของเราถ้าบาปยังมีมากกว่า บ, บุญบาปมันก็จะดึงเราไปเกิดในอบายได้ ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ได้ดัง <Yeah. S 1> นั้นสิ่งที่เราต้องทําหลังจากที่เราละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้มีขึ้นมาในใจให้มากยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดียิ่งปลอดภัยจากการที่จะไปเกิดในนบายยิ่งมีความแน่นอนว่าจะต้องได้ไปสวรรค์น เพราะบุญนี่หละเป็นเหตุเป็นผู้ที่จะนาพาดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้บุญก็มีหลายลักษณะทำกับหลายบุคคลได้ทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อแม่ก็ได้ทำกับผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ทำกับศาสนาก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทากับโรงพยาบาลก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น อันนี้เราเรียกว่าเป็นการทำบุญไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำบุญกับพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวถึงจะไปสวรรค์ได้ทำที่ไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ขอให้เราทำให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์ให้กับผู้แล้วทามันจะทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาความสุขที่ได้จากการทำบุญนี่แหละเป็นบุญและจะสะสมอยู่ในใจของเราไป พอเวลาร่างกายตายไปบุญที่เราได้สะสมไว้ก็จะเป็นผู้ดึงดวงวิญญาณของเราไปสู่สวรรค์ได้ น, นี่คือการเปิดประตูสวรรค์ที่พระเจ้าทรงมาสอนสัตว์โลกให้กระทํากันก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแต่ก่อนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ต้องต้องละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงให้ได้ก่อน เพราะว่าถ้าเราจะทำบุญแล้วก็ยังทำบาปด้วยอยู่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบุญก็จะไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้ mm hmm. ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็ยังจะดึงเราไปเกิดในอะบายต่อไปได้ mm hmm. เบื้องต้นต้องพยายามละการกระทำบาปให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ mm hmm. รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ได้ทุกวันได้ยิ่งดี mm hmm. อาจจะพังเผอบ้างอาจจะเกิดอารมณ์วุบวักขึ้นมาบ้างอันนี้ก็ต้องอาศัยบุญมาคอยช่วยป้องกันไม่ให้บาปนั้นมีมากกว่าบุญโดยหลักแล้วก็อย่าทําบาปให้ทําแต่บุญแล้วบุญจะมีมากกว่าบาปเวลาที่ตายไปบุญก็จะพาดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ต, ต่อไปได้แล้วถ้าเบื่อกับการที่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ พอถึงแม้ว่าจะไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่อยู่ชั่วคราวพอบุญที่ส่งไปหมดลงก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมาเสียงต่อการทําบุญทําบาปอีกอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ต้องชําระสักพอกใจให้สะอาดบริสุทให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆกิเลสตัณหาโมหาวิชาตัวเหล่านี้เป็นตัวที่ดึงให้ใจเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถซักพ่อใจให้สิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไปจากใจได้ให้ให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความอยากความโกรธความหลงปราศจากกิเลสตัณหาโมหาวิชาได้แล้วใจเราก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้ใจเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ใจเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่มีแต่บรลมสุขมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนถาวรที่ให้ความอิ่มความพอตลอดเวลาเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากตายพบอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในการมาพบไม่ต้องไปเกิดในรูปะพบไม่ต้องไปเกิดในอรูปะพบอีกต่อไปถ้าเราสามารถซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ วิธีที่จะซักพอกจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิอย่างที่เราจะมาปฏิบัติกันต่อไปเพื่อทำให้ใจสงบทำให้ใจเกิดความสุขที่เราจะสามารถยึดเป็นที่ให้ความสุขกับเราแทนที่จะไปหาความสุขตามความอยากของความโลภความความอยากต่างๆ เพราะสิ่งที่เราโลภเราอยากนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาอันนี้ก็ได้สมาธิแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากได้อะไรในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตายภพเพราะสิ่งต่างๆที่มีในตายภพล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาก็จะตัดความโลภความอยากในใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจก็จะสะอาบริสุทธิ์ขึ้นมา เป็นนิพพานขึ้นมาทันทีนี่แหละคือภารกิจของพระพุทธศาสนาไม่ได้มาสร้างถาวรและวัตถุต่างๆไม่ได้มาทำสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นมาสงเคราะห์โลกมาทำนู่นทานี่กันสิ่งเหล่านี้ทำได้แต่มันไม่ถือว่าเป็นภารกิจหลักภารกิจหลักของศาสนาของพระที่มาบวชนี่ ต้องมาสอนให้คนปิดประตูบายสอนให้คนเปิดประตูสวรรค์สอนให้คนเปิดประตูนิพพานกันไม่ใช่มาสอนงันมาให้มาช่วยกันสร้างโรงพยาบาลบ้างสร้างโรงเรียนบ้า ง, ส ร, างสร้างนู่นสร้างนี่สร้างวัดสร้างวายต่างเหล่านี้ของเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นของจาเป็นไ ม, ไม่จำเป็นสำหรับจิตใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะไม่ได้ช่วยหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจได้ ช่วยได้อย่างมากก็พาให้ไปสวรรค์ท่านั้น<ม>ที่เกิดจากการทําบุญทําทาน<ม> น, นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจาศาสนาว่าทําไมาศาสนาเราจึงไม่ค่อยไปทําเรื่องของการสงเคราะห์โลกกันเ<ม><ม>พราะนี้ไม่ใช่เป็นภารกิจหลักภารกิจหลักของาศาสนาก็คือสอนให้คนปิดประตูบายสอนให้คนเปิดประตูสวรรค์สอนให้คนเปิดประตูนิพพานมไม่ได้ มาสอนให้คนมามาทําสงเคราะห์กันด้วยเงินข้าวของเงินทองอันนี้ก็ทําเพื่อให้เกิดเปิดประตูสวรรค์เป็นหลักการทําบุญทําทานแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นภารกิจหลักภารกิจหลักก็คือต้องปิดประตูบายด้วยแล้วก็ต้องเปิดประตูไปสู่พระนิพพานให้ได้เพราะถ้าปราบได้ยังไปไม่ถึงนิพพานตามนั้นก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เราก็จาต้องมาเจอกับความทุกข์ยากลำบากเจอกับปัญหาต่างๆที่เราเจอกันอยู่ในขณะนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือเรื่องของภารกิจของพระพุทธศาสนาให้ท่านได้นำมาฝากท่านในวันนี้ให้ท่านได้ได้รู้ได้เข้าใจและพยายามปฏิบัติตามให้ได้ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อไปทำภารกิจของจิตใจเรา ให้หลุดพ้นจากอบายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วเป็นสาวกเป็นอารายตัสาวกแล้วเราก็มาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปเราจะทำให้ศาสนาของเรานี้อยู่อย่างยั่งยืนทาวรไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ซึ่งก็พอสมควรกับเวลาที่ได้กาหนดไว้คือประมาณสามสิบนาทีด้วยกัน ต่อไปนี้เราก็จะมาทําปฏิบัติธรรมกันคือมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบสร้างความสุขให้กับใจพอเมื่อใจเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็จะได้ตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มาหลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็จะไม่หิวโหวยกับความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรเสริญสุข เราก็จะตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้การที่จะทําทให้ใจเรามีความสุขจเราต้องทําใจให้นิ่งให้หยุดคิดให้ได้และการที่จะทําให้ใจหยุดคิดเวลานั่งสมาธิเราต้องมีสติคอยกํากับใจผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราต้องเอาใจมาผูกไว้เพื่อให้ใจไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆ กรรมฐานที่เราใช้กันอยู่ในวงปฏิบัติก็คือพุทธานุสติคือการละเลิกเลื่อยอยู่กับพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธการนั่งสมาธิเราต้องนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจถ้าช่วงไหนใจคิดมากก็อาจจะต้องบริกรรมให้เร็วหน่อยถ้าช่วงไหนใจคิดน้อยก็พุทโธให้ช้าหน่อยได้ ในบางช่วงถ้าใจไม่คิดก็หยุดพุดโทโธไปได้ให้รู้เฉยๆไปพอใจเริ่มคิดใหม่ก็พุทธโทใหม่ได้อ น, นี้เป็นกรรมฐานเครื่องผูกใจที่จะทําใจให้นิ่งเในเวลานั่งสมาธิเรานั่งเฉยๆไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแบบไม่หยุดไม่หยวนคิดมาตั้งแต่เราตื่นแล้วเนี่ยตั้งแต่เราตื่นวันนี้เราก็ยังไม่มีสติคอยควบคุมความคิดกันมีสติพอที่จะควบคุมการกระทําที่ ที่ทำให้ไม่เกิดความเสียหายได้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้กำลังสติเรายังมีน้อยเรายังฝึกสติไม่มากพอเราต้องมันฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิด้วยซ้าไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถ้าเราถ้าเราอยากจะทำใจให้นิ่งให้สงบเราก็เริ่มตั้งสติตั้งแต่ตื่นเลยเริ่มตั้งบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะทาอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ ใช้พุโทโธพุธโทโธคอหยุดหยุดความคิดไว้ถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเรื่องที่จําเป็นเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราฝึกสติอย่างนี้ก่อนที่เราจะมานั่งเวลานั่งใจเราจะไม่ฟุง้งซ่านพอนั่งให้พอนั่งหลับตาให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธต่อไปได้เราถ้าไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบ แล้วก็จะเกิดความสุขกันมหาจัจย์ขึ้นมาบางท่านก็อาจจะใช้การดูลมหายใจเขาออกเป็นเครื่องผูกใจก็ได้อานาปณสติลมเข้าลมออกอานาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการรู้ให้รู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้รู้เฉยๆอยู่จุดเดียวใจเย็นนิ่งได้ต้องอยู่ที่เดียวลมจะอยากลมจะละเอียด จะสั้นจะยาวก็ให้รู้ตามความจริงไม่ต้องไปบังคับหลมให้รู้เฉยๆเราหาใจไม่ไปคิดอะไรได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบเข้าสู่สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิได้เวลาใจสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรใจนิ่งแล้วมันจะไม่ดิน้นนะมันก็จะอยู่กับความนิ่งความสงบอยู่กับความสุขนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ากาลังสติจะอ่อนลงแล้วก็เริ่มเกิดความคิดขึ้นมา ถ้าอยากจะให้สง บ, บต่อไปก็ต้องใช้ใช้กรรมฐานใช้สติควบคุมใจใหม่ดูลมใหม่หรือบริกรรมพุทโธใหม่ใจก็จะนิ่งต่อไปได้เวลาที่นั่งแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจะจะมีแสงมีเสียงมีสีมีกลิ่นมีอะไรก็ตามมีภาพหรือมีอะไรก็ตามมีความรู้สึกของทางร่างกายก็อย่าไปสนใจให้ผูกใจอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อย อยู่กับพุทโธถ้าใช้พุทโธอยู่กับลมถ้าใช้ลมอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวใจถึงจะสงบถึงถึงจะนิ่งได้ถ้าไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับกรรมฐานใจก็จะคิดเลื่อยเปื่อยไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปนั่งไปนานทักษะไหลก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้นั้นเราต้องเข้าใจหลักของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็คือการใช้สติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์ ที่จะทำให้ใจเรานิ่งให้เราใจสงบจะใช้พุโทโธก็ได้ใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้บางท่านอยากจะใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้บางท่านอาจจะใช้อาการสาสิบสองก็ได้หรืออาการใดาอาการหนึ่งของร่างกายก็ได้เช่นโครงกระดูกก็ได้แต่ให้เพ่งอยู่เฉยๆไม่ให้คิดให้รู้เฉยๆให้เป็นเครื่องผูกใจท่านเ้ยังไม่ใช่อยู่ขั้นของการคิดการคิดนี่ขั้นหนึ่งขั้นวิปัสนา อันนี้คนเราคาดกันคนเราตอนกันตอนนี้เราต้องการหยุดความคิดก่อนต้องผูกใจไว้กับกรรมฐานใดก ร, กรรมฐานหนึ่งก่อนังใจถึงจะหยุดคิดใจจะนิ่งแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาได้เมื่อมีความสุขแล้วใจจะมีกํ า, าลังสู้กับกิเลสได้เวลากิเลสมาหลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็บอกว่าความสุขที่เรามีนี่มันดีกว่าดีกว่าความสุขที่กิเลสต้องการ เราก็จะเลิกความสุขต่างๆที่กิเลสต้องการได้ต่อไปแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันไปจนกว่าจะหมดเวล า, อาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่อย่างไรถ้าสงบดีก็ให้จําวิธีนั่งของวันนี้ไว้ แล้วข่าวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ได้ต่อไปเลยแต่อย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเฉยๆเพราะความอยากให้มันสงบเฉยๆนี้จะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรเหมือนเจริญสติในระหว่างวันไปเรื่อยๆก่อนก่อนที่จะมานั่งเราก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนดับ ทำได้มากเท่าไหร่สติก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายสงบได้นานต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พอร <Yeah. S 1> อนยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเลนติสะคะลังเอวเมวะอิตุจินังเปตังนังอุปกรัรปติ อิติตังปฏติตังตุงหังคิดเปเมวะสมิจฉตุสัพเพปเรินตุสังขปาจันโทปนะระโสยธามณนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขิทีขาโยโภภะ อภิวาธนาสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรรมวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่ก็ส่งข้อความเข้ามาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ทาง f a c e b o o สอง8้อ u สี่สิบแปดพัสุชาติไลฟ์สองร้อยเก้าสิบหกดร v วห้าสิบวิทยุออนไลน์8 c ด u b ับ u s e 4์สี่นาคุติร้อยสามสิบรวมเจ็ดร้อยสี่สิบห้าค่ะยังไม่มีคำถามมีคำถามเจ้าค่ะจากทาง YouTube ค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาโยมผิดสีนข้อสี่โดยหลานจัดการเรื่องราคาขายที่ดินเขาให้โยมบอกราคาขายซึ่งถูกกว่าราคาขายจริงเพื่อลดภาษีในการโอนที่ดินโยมบาปไหมเจ้าคะคือต้องพูดตามที่เขาตกลงกับผู้ซื้อไว้ขอบพระคุณคะ่ะถ้าไม่จริงก็บาปต้องพูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูด ผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่สี่เป็นโรคจิตเวทด้วยครับคุณทำอย่างไรดีครับก็เรื่องร่างกายก็แล้วแต่หมอเขาจะว่ายังไงรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปพอในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วส่วนจิตเวทนี้ก็คือโรคจิตก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาช่วยระ ง, งับพยายามระ ง, งับความคิดปรุงแต่งเพราะว่า ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาให้กับเราถ้าเราสามารถใช้สติหยุดความคิดได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะมีความสุขดัง<ม>นั้นพยายามใช้สติให้มากๆ<ม>ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับพยายามอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะใจจะคิดไปในเรื่องที่ทำให้ใจเกิดความเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมานนพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่นาะนหราถ้าพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่อง เดี๋ยวครั้งคิดมันก็หยุดพอหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องพุดโทรต่อก็ได้รอให้มันคิดใหม่ก่อนแล้วค่อยพูดโทรใหม่ก็ได้แต่เบื้องต้นนี้ต้องขยันพยายามสู้กับมันก่อนเพราะมันจะมันไม่ยอมให้เราพุดโทรมันจะให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยเราต้องดึงให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปพอมันมาแล้วทีนี้เราก็สบายแล้วควบคุมมันได้แล้วเวลามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพูดโทรเวลามันคิดแล้วก็ค่อยพุดโทรใหม่ก็ได้ คำถามจากคนลูกรักค่ะลูกทาบุญรักษาภาวนาลูกรักษาไม่ถึงศีลแปดแต่ลูกใช้ชีวิตคาะวะาแบบถือพรมจันย์ดูหนังข่าวสารบ้างแต่พยายามไม่นำมาทำให้เป็นอารมณ์กับจิตลูกปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกสามารถไปถึงขั้นสูงสุดชั้นไหนคะลูกต้องตัดอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างเจ้าคะเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเจ้าคะอ๋อก็ ถ้าอยากจะให้จิตสงบเป็นสมาธินี้ก็ต้องตัดทางด้้นรูปเสียงกลิ่นรสไปถ้ายังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะเข้าสมาธิได้เพราะมันขัดกันการเสพมันใช้ใช้การทำงานของจิตเป็นเครื่องเสพถ้าเราต้องการสมาธิความสงบเราต้องหยุดการทำงานของจิตเอ น, นเราเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ ถ้าเราไปเสพรูปเสียงกินรสมันก็จะติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกินรสมันจะไม่ยอมมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบได้ดันก็ต้องก็ต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้เจริญสติ บ, บ่อยๆทั้งวันแล้วจิตจึงจะเข้าสมาธิได้จึงจะไปสู่ทำขั้นสูงได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะติดอยู่กับทำขั้นต่ํา คำถามจากคุณทีการนาการปฏิบัติธรรมบางทีจะติดนิวรณ์สลัดไม่ค่อยออกคะ่ะแต่ก็ไม่เคยหยุดการปฏิบัติเจ้าคะ่ะแต่พอได้นั่งสมาธิพร้อมท่านอาจารย์จะละได้เองเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะก็เพราะว่าเรามีสติควบคุมความคิดความคิดเป็นตัวสร้างนิวรณ์ขึ้นมาต่างต่างพอเราหยุดความคิดได้นิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหายไปคำถามจากคุณสรินยา เวลานั่งสมาธิแล้วภาวนาคําว่าพุทธังสารานังขฉามิทำมังสารานังขฉามิสังคังสารานังขฉามิได้ไหมเจ้าคะแต่บางครั้งก็พุทโธพุทโธพุทโธเจ้าคะ่ะลองทําดูไม่ลองก็ไม่รู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองทําดูคําถามจากคุณสาธิตค่ะ ถ้าเทวดาหมดบุญแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านยังอยากเข้าวัดทําบุญเหมือนเดิมไหมครับเคยทําบุญทำทานมาก็จะติดนิสัยมาก็ Gud, จะมาทําความดีต่อไปคนที่ทําคนที่ลงมาจากสวรรค์ส่วนใหญ่จะมาเกิดเป็นคนดีส่วนคนที่ออกมาจากอบายมันจะม า, มาเกิดเป็นคนไม่ดีเพราะยังติดนิสัยเก่ามาเคยเคยรักทรัพย์ก็จะ พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะติดนิสัยรักทรัพย์มาด้วยพอต้องการเงินเงินทองไม่พอใช่ก็อาจจะต้องไปรักทรัพย์เข้ามาเ <Yeah. S 1> พรามันติดนิสยัยแต่คนที่มีศีลไม่ไม่ไม่รักทรัพย์เขาก็จะไม่ทําำ <Yeah. S 1> คนที่ทําบุญเขาก็จะทําแต่แต่บุญ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นนิสัยที่เราฝึกฝนสะสมไปในใจของเรา <Yeah. S 1> พอเราเกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นิสัยที่เราได้สะสมไว้ก็จะเป็นตัว อาเราทำสิ่งต่างๆตามนิสัยเดิมของเราหมดแล้วแหละเมื่อกี้มีกลุ่มญาติโยมเข้ามาใหม่ <c oughs> ญาติโยมที่เพิ่งเข้ามามีมอะไรไหมอยากจะถวายของไหมหรืออยากจะฟังเทศไปก่อน <c oughs> ฟังก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยค่อยถวาย <c oughs> <Okay. S 2> <c oughs> โอเค <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็สามารถถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะถามอะไรยกมือขึ้นแล้วจะให้ส่งไมค์ไปให้แล้วจะเข้ามาที่ทางด้านหน้านี้แล้วมาพูดผ่านไมโครโฟนก็ได้จะได้ยินเสียงทั่วทั่วกัน ม, ก ม, มีคำถามจากคุณชุติมาค่ะจิตดับแล้วเกิดใหม่ทันทีหรือเจ้าคะจิตไม่ดับที่ดับก็คือร่างกายจิตเหมือนคนขับรถอนะ รถเก่าพังคนขับรถก็ไปหารถใหม่ขับต่อร mm. ่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ของจิตจิตใช้ร่างกายพาพาเราไปไหนมาไหนพราจิตไปไหนมาไหนพอร่างกายตายไปพอร่างกายดับจิตไม่ได้ดับตามร่างกายจิตก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเท่นั้นเองจิตไม่มีวันดับที่เวียนว่ายตายเกิดมากันเป็นแบบอม่กิ่แสนล้านชาติแล้วก็ตัวจิตตัวนี้แหละ ตัวที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ร่างกายนี้นับเป็นจํานวนไม่ได้ว่ากี่แสนล้านแล้วชาตินี้เป็นเพื่นนอนอีกหนึ่งในแสนล้านหลายแสนล้านชาติที่เราได้ได้เวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็จะเกิดกลับมาเกิดใปไหมต่อไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะปราบกิเลสให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรากําจัดกิเลสได้การยากลรบมาเกิดก็จะไม่เกิดเพราะว่า ผู้ที่พาให้เรามาเกิดก็คือกิเลสนี่ความโลภความอยากต่างๆอยากหาความสุขผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือจิตไม่มีไม่มีร่างกายของของจิตเองจิตมีแต่ความคิดความอยากพออยากแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือก็คือร่างกายก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่มันใช้เพื่อที่จะได้ไปหาสิ่งต่างๆ ผ่านทางร่างกายได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหาความสุขจากรายดยศสรรเสริญต่างๆแต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะพาให้จิตมาเกิดอีกต่อไปจิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพาอาาระอรหันต์ไปอยู่อยู่ที่พระนิพพานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคาถามจากคุณสุริยาค่ะ ผมเป็นคนโกรธเร็วเมื่อดินเสียงที่ไม่พอใจจะรู้ตัวชา้าขอคำแนะนำชี้แนะให้รู้ตัวเร็วขึ้นครับก็ฝึกสติให้มากขึ้นถ้ามีสติแล้วเราจะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลามันฝึกพุโทโธพุโทโธไปท่างพุโทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นมาในใจจะรู้ขึ้นมาทันทีรู้ปั๊บเลยคาถามจากคุณชุติมาค่ะ ถ้าเราอุทิศบุญให้กับผู้ตายเมื่อเขาไปเกิดใหม่จะส่งผลบุญได้ไหมคะเพราะชื่อเปลี่ยนไปอ๋อชื่อไม่เป็นไรหรอกขอให้เรานึกถึงตัวเขาแล้วกันนึกถึงจิตของเขาแล้วก็จะไปหาจิตของเขาแต่ถ้าเขาไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ต้องมาสายบุญที่เราส่งไปเพราะบุญที่เราส่งไปมันน้อยมากเขาเกิดแล้วเขาก็จะไปหาความสุขของเขาผ่านทางร่างกายได้ ที่ต้องส่งบุญไปให้คนตายเพราะว่าคนตายเขาไม่มีร่างกายที่จะพาเขาไปหาความสุขต่างๆได้เขาก็เลยต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องให้เกิดความสุขในใจเขาคําถามจากคุณสาธิตค่ะตอนนี้มีเรื่องข่าวแต่พระปฏิบัติไม่ดีควรจะวางจิตวางใจอย่างไรดีครับก็วางว่ามันเป็นของไม่แน่นอนคนเรามีดีไม่ดีผสมกันไป เหมือนผลไม้ในเข่งมันไม่ใช่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ดีทุกทุกทุกทุกใบไปบางใบมันก็เน่าบ้างเสียบ้างหรือปลาก็เหมือนกันเพราะว่าปลาเน่าตัวหนึ่งอย่าทิ้งปลาทั้งเข่งไปคัดมันออกไปปลาตัวไหนมันเนา่าแล้วก็คัดออกทิ้งไปคนที่มาบวชก็ทําผิดก็คัดเขาออกไปเราก็อยู่กับคนดีท่า ด, ดีๆยังมีอยู่เยอะ พระดีไม่มีเรื่องจึงไม่เป็นข่าวใช่ไหมนะแต่พระที่ไม่ดีคนสองคนก็เป็นข่าวขึ้นมาแล้วนะทำให้พระอีกร้อยคนอีกหมื่นคนแสนคนกลายเป็นพระไม่ดีไปด้วยนะเราต้องรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดแม้แต่ในครอบครัวเ ร, เราก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปบบ น, นกันไปพี่คนนั้นอาจจะดีพี่คนนี้อาจจะไม่ดีเพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยของคนที่มาเกิดในโลกนี้ ทาบุญทำบาปมาไม่เท่ากันคนที่ทำบาปมามันก็จะติดนิสัยทำบาปมาไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดมันก็จะทำบาปสังคมพระสังคมการบ้านการเมืองก็มีคนทำบาปทั้งนั้นพระฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะนะว่าคนไหนไม่ดีเราก็อย่าไปหาเขาอย่าไปศึกษาจากเขาอย่าไปทำบุญกับเขาอย่าไปสนับสนุนเขาเราไปสนับสนุนคนที่ดีคนที่ มีศีลมีธรมธรมคนที่สามารถสั่งสอนอบรมให้เราเป็นคนดีให้เรามีความสุขจากการกระทําต่างๆได้เราเป็นเหมือนนักเรียนท่านี้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์นักกึที่จะให้ความรู้กับเราองคไหนให้ความรู้ดีเราก็ไปศึกษากับท่านองไหนไม่ได้ให้ความรู้เราเราก็อย่าไปศึกษากับท่านหมดได้ยังโอเค